อย่ารอช้ามาเลือกซื้อกันได้ที่ RMU TT Farm Shop ทางเข้ามอทรอทอล์ัญบุรีศูนย์รังสิตทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา8นาฬิกานาทีถึง17นาฬิกาคัดสรรคุณภาพโดยคณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีครับเพื่อนเอ้ยรุ่นใหญ่อย่างพวกเราอาบน้ำร้อนมาหลาย10ปีอย่าไปยอมให้ใครมาหลอกง่าย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 นำสาระน่ารู้นะคะเคสกรณีต่างๆมาบอกเล่าให้คุณูฟังได้รับทราบกันค่ะวันนี้เรื่องราวของเพื่อนเตินภัยนะคะก็มีในหลากหลายมุมมองและในหลากหลายแง่มุมนะคะซึ่งเกิดขึ้นในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามีอะไรกันบ้าง เริ่มต้นข่าวคราวในวันนี้ค่ะกับพระเอกช่องเจดสีนะคะมาเตือนภัยเกือบหลงเป็นเหยื่อมิจฉาชีพหลังมีการโพสต์นะคะขายโทรศัพท์ทางอิสรแกรมของตัวเองแต่ปรากฏว่ามีมิจฉาชีพหลอกส่งสลิปโอนเงินปลอมมาให้ค่ะ เรื่องราวนี้นะคะเป็นเรื่องของพระเอกหนุ่มแอมพีรวัตซึ่งได้ประกาศขายโทรศัพท์ผ่านทางอิสวาแกรมของตัวเองไปไม่นานหลังจากนั้นไม่กี่ชั่วโมงนะคะเจ้าตัวก็มีการโพสเตือนภัยหลังถูกมิจฉาชีพทําทีติดต่อขอซื้อโทรศัพท์แล้วส่งสลีปโอนเงินปลอมมาให้กับพระเอกหนุ่มค่ะ โดยเจ้าตัวได้มีการโพสต์ข้อความเตือนภัยให้กับแฟนๆของตัวเองระวังมิจฉาชีพสมัยนี้เพราะน่ากลัวมากได้มีการส่งสลิปเงินปลอมมาให้แล้วที่พระเอกหนุ่มได้โพสตเตือนภัยไปนะคะก็มีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยเรื่องนี้อย่างมากมายเลยค่ะบางคนก็บอกว่าเป็นมิจฉาชีพนะคะซึ่งเคยมีข่าวแอบอ้างว่าเป็นผู้จัด ก, การดาราชื่อดังคนหนึ่งด้วยขณะที่ยังถูกแชต่อว่ารูปก็เป็นรูปของคนอื่นที่นํามาหลอกต่ออีกด้วยค่ะ ไม่ได้เป็นแค่เคสที่เกิดขึ้นกับดารานักแสดงเท่านั้นนะคะเราเองคนทั่วไปก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันเพราะว่าในเรื่องของการหลอกลวงเนี่ยนะค ะ, ะเรียกว่าจะต้องมีสตินะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปลอมแปลงอะไรก็ตามทําได้เนียนแล้วก็ใกล้เคียงกับของจริงมากๆเลยผู้ฟังจะต้องคอยสังเกตแล้วก็อาจจะต้องมีการอัปเดตข่าวสารต่างๆนะคะซึ่งอาจจะรับฟังรายการของเราไปด้วยเพื่อที่จะมาอัปเดตเรื่องราวของมิชฉาชีพร่วมกันค่ะ อีกเรื่องหนึ่งนะคะตอนนี้ทว i t เตอร์มีการเตือนภัยเกี่ยวกับใครที่ชอบสั่งของทางไปรษณียน์นะคะหรือในอคนส่งเจ้าอื่นๆก็ตามเวลาที่เราสั่งของค่ะคุณฟังเราก็จะมีการระบุที่หน้ากล่องใช่ไหมคะแล้วก็จะมีการระบุที่อยู่รวไปถึงการใส่เบอร์โทรศัพท์มือถือด้วยค่ะซึ่งนี่แหละค่ะทำให้มีผู้ที่ไม่หวังดีรกจิตนะคะมีการนาเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ติดต่อมาหา ผู้ที่เป็นผู้ที่ลงที่อยู่หรือ ว, ว่าเบอร์โทรศัพท์เอาไว้นะคะซึ่งในเคสนี้ค่ะผู้ใช้ทว i t t e r อินว่าอินไม่อินนะ p n l p w a n g ได้มีการทวีตข้อความบน t w i t เตอร์นะคะบอกเล่าเหตุการณ์ถูกรังควานจากโรคจิตเตือนภัยเวลาทิ้งซองทิ้งกล่องไปรษณีย์ต้องดึงที่อยู่ออกทุกครั้งฉีกตัดทำลายก่อนทิ้งได้ยิ่งดีนี่น้องชันโดนโรคจิตโทรมารังควาน ถามไปถามมามันบอกว่าเอาเบอร์มาจากกล่องปริษัที่ทิ้งไปอันตรายมากนะชื่อที่อยู่บอกเบอร์โทรครบเลยข้อมูลสําคัญทั้งนั้นระวังกันด้วยโดยหลังจากที่มีการโพสต์ทวิตไปแบบนี้นะคะก็มีผู้ที่เข้ามาให้ความเห็นต่อทวิตดังกล่าวแล้วก็แนะนําว่าให้ขีดค่าแล้วก็เผาทํำลายซะโดยหนึ่งในผู้ใช้ทวิตเตอร์บอกว่าถ้าเลาะไม่ออกหรือจะเอาไปช่างโลขายเอาปากาเมจิขีดทับก่อนก็ได้ค่ะหรือแนะนําปากา ขีดปื้ดเดียวจบตัว อ, อกักษรสีก็อ่านไม่ออกเหมือนกันขณะที่ผู้ใช้ทวิตเตอร์อีกรายบอกเล่าประสบการณ์สุดอันตรายนะคะเมื่อโรคจิตกลับกลายเป็นคนส่งไพรส์นีซะเองค่ะเดี๋ยวนี้นะคะเรื่องของภัยใกล้ตัวก็มากันอยู่เรื่อยๆนะคะดิฉันเองค่ะผู้ฟังก็เป็นคนที่สั่งของออนไลน์เนี่ยก็ค่อนข้างบ่อยนะคะเพราะฉะนั้นในเวลาที่ถ้าเกิดว่ากล่องเนี่ยไม่ได้นําไปใช้ต่อหมายถึงว่านําไปส่งใหม่นะคะก็จะมีเรื่องของ าการทำลายด้วยการดึงนี่ะค่ะขีดค่าทำลายหรือว่านำาปากกาเมจิกสีเข้มนะคะมาเขียนทับเพื่อไม่ให้เห็นชื่อที่อยู่ของเรานะคะเป็นการระมัดระวังตัวอีกทางหนึ่งด้วยค่ะที้งท้ายกันในช่วงแรกของรายการนะคะคุณยายท่านหนึ่งค่ะมีการแจ้งตำรวจจับเว็บพนันออนไลน์ลังพบว่ามีการโทรเข้ามือถือหลานสาววัยเพียงแค่11ขวบชวนไปเล่นการพนันซั์ว่านี่เป็นภัยต่อสังคมค่ะ เมื่อวันที่18ตุลาคมที่ผ่านมานะคะคุณจรัญญาจงใจหารอายุ59ปีได้เดินทางแจ้งความกับทางด้านของรองสารวัตรสอบสวนสอพอรัตนาทีเบย์จังหวัดนนทบุรีร้อยตำ ร, รวจเอกนิพนธ์พลสวัสด์นะคะก็มีการพูดถึงบอกว่ามีเบอร์โทรศัพท์เนี่ยโทรเข้าเครื่องมือถือของหลานสาวซึ่งมีอายุแค่11ปีเท่านั้นนะคะชักชวนให้มาเล่นการพนันออนไลน์โดยคุณสรัญญาบอกว่า ร้านสาวในนอนหลับอยู่ล้านสาวก็ต้องตื่นมารับสายนะคะปลายสายก็มีการพูดชักชวนว่าไปเล่นเว็บพนันออนไลน์กันไหมอ้างว่าการเล่นพนันเนี่ยเริ่มต้นแค่20บาทเท่านั้นด้วยความง่วงค่ะล้านสาวก็เลยส่งโทรศัพท์ให้กับคุณยายเป็นคนคุยทีนี้เนี่ยคุณยายก็เลยถามไปว่ารู้ไหมว่านี่เป็นเบอร์ของใคร ปลายสายตอบมาว่าไม่รู้นะคุณยายก็เลยบอกว่าเป็นเบอร์ของหลานสาวอายุแค่1 1ปีทำไมโทรมาชวนเด็กเล่นกับพนันแบบนี้เลยเมื่อสอบถามนะคะว่าได้เบอร์มาอย่างไรคู่สนทนาก็อ้างว่าเบอร์นี้ได้โทรเข้ามาสมัครสมาชิกก็เลยมีการติดต่อกลับมาซึ่งคุณยายก็ตอบกลับไปว่าเป็นไปไม่ได้ทั้งนั้นก็เลยรีบวางสายออกไปเลยนะคะ คุณยายสัญญานะคะให้การบอกว่าเมื่อสอบถามหลานสาวในยืนยันว่าไม่เคยสมัครเว็บออนไลน์แต่อย่างใดและไม่รู้จักด้วยก็เลยมีการปรึกษากับญาติญาติก่อนที่จะมีการเดินทางไปแจ้งความกับตํารวจที่ต้องแจ้งความดำเนินคดีนะคะก็เพราะว่าคิดไม่ถึงว่าพวกเว็บในการพนันออนไลน์เนี่ยจะทําการตลาดถึงขนาดเข้าถึงกลุ่มเยาวชนแล้วนะคะถ้าหากปล่อยเอาไว้ค่ะสังคมก็คงจะแย่ถ้าหากว่าเยาวชนโตมาแล้วเนี่ยติดการพนันเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเร่ง ตรวจสอบกดขันจับกุมเว็บการพนันออนไลน์ดังกล่าวรวมถึงให้ตรวจสอบว่าเว็บการพนันออนไลน์ได้เบอร์โทรศัพท์มือถือของล่าส้าของตัวเองได้มาอย่างไรอีกด้วยค่ะเป็นภัยที่ถือว่าอาจจะคิดไม่ถึงว่าจะมาใกล้ตัวเราได้นะคะใครที่มีน้องๆหนูๆในปกครอง ดูแลกันอยู่นะคะก็อย่าลืมเช็คกันด้วยว่าโทรศัพท์มือถือของเด็กๆนั้นมีเรื่องของการโทรเข้ามาของคนแปลกหน้าหรือไม่นะคะไม่เฉพาะแค่พนันออนไลน์เท่านั้นก็ยังมีมิจฉาชีพอีกมากที่มีกลล่อลวงเด็กๆอีกเยอะแยะนะคะขอบคุณข้อมูลในช่วงนี้ด้วยจาก dailynews.co.th ไทยรัฐ .co.th และคมชัดลึก .net ค่ะ พักสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้าค่ะไปฟังเรื่องราวนะคะของทางด้านที่อ่างศิลากันบ้างล่าสุดนะคะมีการพูดถึงยาดองเหล้าสูตรพิเศษใส่คังคกน ะ, ะแล้วก็เหล้าขาวซึ่ง เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตนะคะล่าสุด2รายอสองรายด้วยกันนะคะแล้วก็อาการสาหัสเนี่ยสคนนะคะเดี๋ยวมาติดตามรับฟังกันในช่วงหน้ากับเพื่อนเตือนภัยเราไปถึงการเตือนของป ป, ปสนะคะประชาชนที่จะมีทานอ่ามีการเดินทางไปท่องเที่ยวคาดหวังว่าจะไม่มีการเสียค่าที่จ่ายระวังนะคะคุณอาจจะตกเป็นเหยื่อในกลุ่มของการคขนยาเสพติดโดยไม่รู้ตัวนะคะเดี๋ยวติดตามกันในช่วงหน้าเพื่อนเตือนภัยค่ะ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 ตามเพื่อนเตือนภัยในช่วงนี้กันค่ะไปกันที่อ่างศิลานะคะมีเรื่องราวก็คือการเตือนภัยดื่มยาดองเหล้าขังคกนะค ะ, ะมีผู้เสียชีวิตสองรายด้วยกันแล้วก็อาการสาหัสไอซนะคะถึงสามคน เรื่องนี้นะคะยีตุลาคมที่ผ่านมาค่ะคุณชาวลิศมงคลเลิศและคุณสังวรกระชัน้นรองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทองนะคะร่วมกับคุณวินัยพ้นไผ่พั น, นอดีตกำนันตำบลสม็จและก็ที่ปรึกษาเทศบาลเมืองอ่างศิลาพร้อมด้วยอาสาสมัครในพื้นที่นะคะที่ตำบลอ่างศิลาแล้วก็ตำบลสม็จค่ะมีการเดินรณรงค์แจกใบปลิวเกี่ยวกับพิษของการรับประทานขังคกซึ่งอาจได้รับอันตรายได้นะคะสืบเนื่องกรณีนี้นะคะมาจากการ ที่นายนัทพลหรือนัทโชตพัภยัยไพรณ์เจ้าของร้านขายยาดองในซอยสถาพรพื้นที่หมู่สามตมวนสเสม็จอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีได้มีการผรสมยาดองเล่าสุดพิเศษราก30ขังคกและเหล้าขาวค่ะจากนั้นนะคะก็นำไปขายแล้วก็มีผู้ซื้อไปดื่มนะคะเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับสารพิษ ท, ทั้งหมด13คนเสียชีวิตสองรายและอยู่ในห้องอซีคนซึ่งก็มีการรณรงค์นะคะ เนื่องจากพบว่ามีการนำไปวางขายตามร้านขายของชำหลายแห่งค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการประชุมผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองอาศีลาด้วยและให้มีการประชาสัมพันธ์นะคะเกี่ยวกับการดื่มยาดองเหล้าที่มีสุปนผสมของขังคกว่ามีอันตรายกับผู้ดื่มนะคะ คุณชวลิตบอกว่าหลังทราบข่าวนะคะว่ามีผู้ดื่มยาดองเหล้าผสมยาอาผสมคังคกจนมีผู้เสียชีวิตนะคะและมีผู้ได้รับสารพิษอาการจะป่วยหลายรายด้วยกันก็มีการแจกใบปริวค่ะเตือนพิษภัยของขังคกแล้วก็ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายเตือนประชาชนด้วยและอยากจะฝากเตือนนะคะอย่าไปดื่มยาดองเหล้าที่ผสมคังคกเด็ดขาดเพราะอาจจะเสียชีวิตได้นะคะ ช่วงนี้ค่ะก็มีการติดตามนะผู้ที่ดื่มยาดองเล้าผสมคังโคกด้วยซึ่งพบแล้วนะคะ2รายดื่มไปคนละหนึ่งขวดยาชุ ก, กําลังก็รีบนําส่งโรงพยาบาลชนบุรีเพื่อตรวจเลือดอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นอยากฝากเตือนผู้ที่ดื่มยาดองเล้าไม่ควรดื่มนะคะยาที่มีส่ผสมของขังโคกเพราะว่าส่งผลเสียต่อสุขภาพแน่นอนค่ะ อีกเรื่องราวหนึ่งนะคะเราไปกันที่ปปสนะคะสำนัก ง, งานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือว่าปปสนะคะมีการเตือนประชาชนอย่าเห็นแก่การได้ไปท่องเที่ยวโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะเพราะอาจจะตกเป็นเหยื่อให้อ่า ขบวนการขนยาเสพติดโดยไม่รู้ตัวนะคะจากกรณีกระแสะข่าวหญิงไทย7คนถูกศุลกากรญี่ปุ่นประจําท่ากาศยานฟุกุโอกะจับกลุมในฐานะนํายาเสพติดรวมกว่า1กิโลกรัมเข้าสู่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมานะคะล่าสุดค่ะสานัก ง, งานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปสค่ะมีการประสานกับเจ้าหน้าที่ศุลกากรญี่ปุ่นประจําประเทศไทยได้รับข้อมูลที่เปิดเผยได้ก็คือเจ้าหน้าที่ศุลกากรประจําท่ากาศยานฟุกุโอกะ ก็ พบหญิงไทยทั้ง7คนมีอายุระหว่าง 20-50 ปีนะคะเดินทางเข้าประเทศในฐานะนักท่องเที่ยวแต่มีการแสดงพิรุษจึงเรียกตรวจคน้นแล้วก็พบกับยาเสพติดสุกซ่อนมากับร่างกายแต่ละคนรวมแล้วเป็นยาเสพติดชนิดไอ้น้ำหนักกว่า1นกิโลกรัมผนังสอบสวนเจคนยอมรับว่าหลักรอบนําเข้ายาเสพติดเพื่อส่งต่อให้ชาวต่างชาติในประเทศญี่ปุ่นค่ะซึ่งทางด้านของคุณนิยมเติมสีสุกนะคะเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเปิดเผยว่าในรอบปีที่ ผ่านมานะคะจากการติดตามข่าวในพบว่ามีคนไทยถูกจับคดีลักลอบนำยาเสพติดเข้าประเทศญี่ปุ่นรวม20คดี37คนนะคะซึ่งเกือบทั้งหมดเนี่ยเดินทางไปในฐานะนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสุภาพสตรีค่ะซึ่งเมื่อสอบสวนแล้วพบว่าล้วนถูกชักชวนหรือถูกจ้างวานโดยผู้ค้ายาเสพติดผิวสีนะคะ นอกจากนี้ค่ะเลยค่ะทีการปรปรสอเองก็ขอให้ผู้ที่มีความประสงค์จะเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นได้ทราบว่าขณะ น, นี้ทางการญี่ปุ่นนั้นมีการเฝ้าระวังการลักลอบนำยาเสพติดเข้าประเทศอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะผู้ที่เดินทางจากประเทศไทยและขอให้ระวังตกเป็นเหยือ่อหรือเครื่องมือในการลักลอบนำยาเสพติดเข้าประเทศญี่ปุ่นของขอบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติมันจะเป็นการชักชวนไปเที่ยวโดวยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะการฝากสิ่งของที่ซุกซ่อนยาเสพติดไปรวมถึงการจ้างวาน โดยตรงค่ะสําหรับกรณีที่มีคนไทยถูกจับที่ประเทศญี่ปุ่นในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดทุกกรณีนะคะปะปะสอเองก็ได้มีการประสานงานทางด้านการข่าวและก็การขยายผลการสืบสวนเพื่อจับกลุ่มผู้วงการเบื้องหลังทุกกรณีด้วยซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและก็แก้ไขปัญหายาเสพติดนะคะซึ่ง นายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ให้ความสำคัญกับการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยค่ะถ้าหากประชาชนท่านใด น, นะคะพบเห็นพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะคะสามารถแจ้งมาได้ที่สายด่วนปปส1386ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะขอบุญข้อมูลในช่วงนี้ด้วยนะคะจากท a i q u o t e ทโอและ springnews.co.th ค่ะ พักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้าเดี๋ยวมาติดตามกันมีเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับมิชชัชีพรูปแบบใหม่อ้างว่าเป็นตัวแทนบริษัทรวมร่วมกันนะฮะระหว่างธ น, นาคารและธนาคาร T MB นะคะหรือว่าทหารไทยนั่นเองนะคะที่น่ากลัวก็คือผู้ที่เจอมิชชัชีพนี้โทรมาหลอกลวงเนี่ยนะคะบอกว่ามิชชาชีพเนี่ยรู้ข้อมูลส่วนตัวครบเลยค่ะเดี๋ยวมาติดตามรับฟังในช่วงหน้าเพื่อนเตือนภัยค่ะ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 เรียนดีกิจกรรมเด่นเน้นคุณธรรมมีดีขนาดนี้แต่ไม่รู้ไปโชว์ที่ไหนไม่ยากเลยมาโชว์ผลงานกับเราสิคะราชมงคลพระนครเปิดรับสมัครเยาวชนเพื่อคัดเลือกเป็นเด็กดีเพื่อสังคมไทยปีซีจชิงถ้วยนา ย, ยกรัฐมนตรีและทุนการศึกษารวมกว่า 50,000 บาทสมัครได้แล้ววันนี้ถึง13ธันวาคมสอสอบถามข้อมูลได้ที่ Facebook f a n p a g i r o k i s Award หรือโทร0 2น6์สอ7 7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 ช่วงสุดท้ายในรายการกันนะคะกับเพื่อนเตืนภัยค่ะเพื่อนเตนภัยในช่วงนี้นะคะมีข้อมูลมิจฉาชีพรูปแบบใหม่ค่ะอ้างตัวว่าเป็นผู้แทนจากบริษัทธนาชาติร่วมกับทหารไทยหรือ TMB นะคะอัปเดตสิทธิประโยชน์ผู้เสียหายบอกว่าน่ากลัวเพราะว่ า, ามิจฉาชีพที่โทรมาเนี่ยรู้ข้อมูลส่วนตัวครบเลยค่ะ เรื่องราวนี้นะคะ15ตุลาคมที่ผ่านมา f เฟซบ o ๊กแซฟไพทุมมานะคะได้ออกมาโพสต์เตือนภัยหลังเพราะว่ามีมิจฉาชีพอ้างว่าเป็นผู้แทนจากบริษัทธนาชาติร่วมกับ TMB แจ้งว่าภายในเดือนตุลาคมของปีหน้าจะมีการเปลี่ยนแปลงความคุ้มครองของผู้ถือบัตรเครดิตจึงต้องการแจ้งสิทธิประโยชน์และอัปเดตข้อมูลที่น่ากลัวก็คือรู้ชื่อรู้บัตรเครดิตที่ใช้บอกเลขประจําตัวประชาชน3ตัวแรกและบัตรเครดิต4ตัวแรกถูก โดยให้แจ้งเพื่อยืนยันข้อมูลตัวเลขที่เหลือเพื่อลูกค้ายืนยันตัวตนแต่ทางบริษัทมีข้อมูลอยู่แล้วโดยอ้างชื่อว่าชื่อสุดาทิพย์บริบูรณ์ระหว่างพูดคุยนะคะก็มีเสียงโอเปอเรเตอร์คนอื่นกำลังคุยกับลูกค้าด้วยโชคยังดีอยู่บ้างนะคะที่ไม่ได้พกบัตรเครดิตก็เลยบอกว่าจําไม่ได้ไม่ได้พกติดตัวปลายสายก็เลยบอกว่าจะโทรมาใหมค่ค่ะทั้งนี้ระหว่างนั้นนะคะผู้เสียหายเองได้โทรไปที่ call center ของธนาชาติเพื่อตรวจสอบข้อมูลปรากฏว่าโอเปอเรเตอร์รับแล้วปล่อยให้รอสายจนหลุด ไปให้ฝากข้อความสองครั้งและมีการโทรหาผู้บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าของ t m เอ็มบทราบว่าท m เมนั้นไม่เคยทำคอนแทรกกับธนาชาิและหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลนะคะธนาคารเองจะแจ้งไปจดหมายไปหาลูกค้าเท่านั้นค่ะสักพักหนึ่งค่ะมิชาชีพทโทรมาใหม่นะคะขอเลขท้าย12หลักและวันหมดอายุซึ่งนะคุณผู้ที่ ผู้เสียหายเนี่ยนะคะก็มีการบอกนะคะบอกเลขไปผิดทุกตัวเลยค่ะปรากฏว่ามิชาชีฟี่งบอกว่าข้อมูลถูกต้องครบถ้วนขอออนสายไปยืนยันข้อมูลทีนี้เนี่ยก็เลยมีการตัดสายทิ้งนะคะสักพักเนี่ยมิชาชีพโทรมาใหม่ค่ะตื้อหลายเบอร์เลยเพราะว่าบล็อกไปนะคะท้ายสุดต้องรับสายแล้วบอกว่าคุณสุดาทิพไม่ต้องโทรมาอีกแล้วตรวจสอบแล้วว่าเทียบบีกับธนชาติไม่มีคอนแทค ก, กันเลขที่บอกก็ไม่ใช่เลขจริงไม่อย่าง น, นจะแจ้งตำรวจซึ่งมิชาชีพก็ตอบว่าค่ะค่ะแล้วก็ วางสายไปนั่นเองนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะเมื่อมีการหาข้อมูลแล้วเนี่ยนะคะปัจจุบันนี้โหฟังค่ะทีเอ็มบีหรือว่าทหารไทยกับธนชาตินั้นมีแผนควบรวมกันจริงนะคะซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2564แต่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับประกันอุบัติเหตุและสิทธิประโยชน์ในบัตรเครดิตที่คุณถือเลยสักนิดเดียวนะคะและ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีมิจฉาชีพโทรมาแบบนี้อ้างตัวว่าเป็นผู้แทนของธนาชาติร่วมกับ TMB อย่าไปหลงเชื่อเด็ดขาดนะคะน่ากลัวมากๆเลยสมัยนี้ถึงแม้ว่าเขาจะบอกเลขบัตรคุณได้ก็ตามให้รู้เลยนะคะว่าธนาคารนั้นไม่มีมาตรการหรือไม่มีเรื่องของการที่จะโทรมาเพื่อคุยกับลูกค้า โทรมาเพื่อสอบถามเลขบัตรจากลูกค้าไม่มีเด็ดขาดนะคะมีแค่เรื่องของการส่งเอกสารไปตามบ้านเท่านั้นค่ะไปอีกหนึ่งเรื่องราวกันนะคะกับการโพสตเตือนภัยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเรามีการนำเสนอเรื่องราวนี้ไปดูให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันอยู่นะคะเป็นเรื่องของคุณป้าท่านหนึ่งที่มีการไปเป็นวิชาชีพนะคะใช้มุกโดนกระเป๋า กระเป๋าโดานกรีดเนี่ยนะคะแล้วก็ไปหลอกขอเงินผู้ที่อยู่แถวๆนั้นนะคะล่าสุดค่ะมีสาวท่านหนึ่งโพสเตือนภัยพบคุณป้าท่านนี้ค่ะไปหลอกใช้มุกเดิมเลยค่ะบอกว่ากระเป๋าโดานกรีดขอมีค่าหายหมดเลย หนะวังที่จะให้เหยื่อสงสารค่ะแล้วก็ขอให้เจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยเร่งมาจัดการสัทีค่ะผู้ใช้ Facebook ในชื่อมิรันดาทารีได้โพส ต, เต์เตือนภัยนะคะเมื่อตัวเองได้เจอเข้ากับเหตุการณ์ที่เคยเป็นกระแสก่อนหน้านี้ที่มีหญิงสูงวัยรายหนึ่งอ้างว่าโดนมิจฉาชีพกรีกกระเป๋าทําให้สิ่งของมีค่าถูกขโมยหายหมดเกลี้ยงภายในสถ า, า, านีรถไฟฟ้าใต้ดินแห่งหนึ่งนะคะซึ่งในครั้งนั้นเจอคนใจบุญเขาก็แบ่งเงินไปจํานวนหนึ่งค่ะไว้สําหรับเดินทางกลับบ้าน แต่ล่าสุดเธอคนนี้บอกว่าเธอได้เจอกับคุณป้าคนนี้เนี่ยกับตัวเองมีกระทำคล้ายเดิมเลยก็คือเดินเข้ามาพูดคุยอ้างว่ากระเป๋าโดนกรีดขอยืมโทรศัพท์ของผู้โพสต์โทรเข้าหาตัวเบอร์ตัวเองได้ไหมปรากฏว่าปิดเครื่องนะคะผู้โพสต์ก็เลยแนะนําว่าไปแจ้งตํารวจไหมคะคุณป้าแต่ว่าคุณป้าบอกว่าไม่ยอมนะคะอ้างว่าแจ้งความไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรสุดท้ายนะคะตัวผู้โพสต์เองก็เลยเฉลยว่าตัวเองเนี่อรู้ทันกโกงดังกล่าวแล้วนะคุณป้าก็เลยมีการด่าทอกลับ ด้วยถ้อยคําหยาบคายแล้วก็รีบวิ่งหนีไปนะคะทั้งนี้ค่ะเมื่อโพสต์ดังกล่าวได้เปิดเผยออกไปก็มีคนแชร์ข้อมูลไปแล้วกว่าส0 0 0มครั้งนะคะพร้อมกับคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์แล้วก็เรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ตํารวจเข้ามาจาัด ก, การเรื่องนี้โดยเร็วค่ะเนื่องจากกลัวว่าอาจจะมีผู้ที่ไม่ได้ติดตามข่าวสารหลงกลคุณป้าท่านนี้ค่ะใครที่เจอเหตุการณ์คล้ายๆแบบนี้นะคะเดินทางด้วย MRT ระมัดระวังกันด้วยอาจจะเจอมิจฉาชีพลักษณะแบบนี้หรืออาจจะได้เจอคุณป้าอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ขอยเวยว่านี่แหละ ชชทิ้งท้ายกันในวันนี้นะคะกับเรื่องราวของประธานชมรมสนับสนุนการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมโพสข้อความผ่านเพจ้ายตรงกฎหมายเตือนกลุ่มคนที่ชอบซื้อรถแต่ไม่มีเล่มทะเบียนมาใช้ต้องระวังนะคะ โดยธนรัชพลสริสาครประธานชมรมสนับสนุนการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook สายตรงกฎหมายเตือนกลุ่มคนที่ชอบซื้อรถแต่ไม่มีเล่มทะเบียนมาใช้มีโอกาสติดคุกได้ค่ะการซื้อรถซึ่งเป็นทรัพย์สินที่ต้องจดทะเบียนดังนั้นแล้วนะคะธนารัชพลบอกว่าต้องมีเล่มทะเบียนมาด้วยหากไม่มีเล่มย่อมเห็นได้ว่าเป็นเรื่องที่ผิดปกติซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นรถหลุดจำนำและหากไปซื้อมาใช้อาจจะมีโอกาสติดคุกได้ด้วยเหตุผลอะไรกันบ้าง อย่างแรกเลยนะคะก็คือรถหลุดจำนำหรือว่ารถไม่มีเล่มอาจเป็นของที่ขโมยมาค่ะคุณรู้หรือไม่นะคะว่าปกติแล้วการซื้อรถนั้นต้องมีเล่มเมื่อซื้อรถที่ไม่มีเล่มผิดปกติอาจจะเป็นรถขโมยมาก็ได้2ออาจโดนข้อหารับของโจรค่ะถ้ารถคันนั้นเป็นรถที่ขโมยมาจริงๆก็จะโดนข้อหารับของโจรได้จะผิดหรือไม่ผิดก็ต้องเสียเวลาไปแก้ตัวในศาลนะคะโอกาสรอดก็มีเหมือนกันแต่มีน้อยถ้ารถไม่มีเล่ม เหตุผลที่3ค่ะก็คือของถูกและดีมีจริงแต่ไม่ใช่รถหลุดจำนำหรือรถไม่มีเล่มลองคิดดูนะคะถ้าเป็นของดีถูกต้องตามกฎหมายแล้วค่ะจะมาขายถูกๆทำไมเรื่องนี้ต้องตั้งข้อสังเกตง่ายๆในการซื้อของถูก สนะคะก็คือรถหลุดจำนำหรือรถไม่มีเล่มหลายคันยังติดไฟแนนอยู่เมื่อซื้อไปอาจจะโดนไฟแนนฟ้องเรียกรถคืนได้และสุดท้ายก็คือรถหลุดจำนำหรือรถไม่มีเล่มส่วนหนึ่งคือรถที่ผู้เช่าซื้อผ่อนไม่ไหวแล้วก็นํา ม, มาจำนำแล้วปล่อยหลุดกรณีนี้นะคะรถก็ยังเป็นของไฟแนนอยู่ผู้รับจำนำไม่มีสิทธิ์เอามาขายโดยพฤตการค่ะซึ่งถ้าหากว่าเราซื้อไปแล้วไฟแนนมาเจอปัญหาจะเกิดขึ้นทันทีค่ะเพราะฉะนั้นใครที่มีแพผนจะซื้อรถนะคะ ก็ต้องมีเล่มทะเบียนมาด้วยนะคะเพื่อป้องกันการที่ถูกหลอกนำรถหรือจำนำหรือว่ารถที่ไม่มีเล่มรถที่ขโมยมามาขายค่ะขอบคุณข้อมูลทั้งหมดในช่วงนี้ด้วยนะคะจากผู้จัดการออนไลน์และคมชัดลึก .net ค่ะ นี่คือเรืเ่องราวทั้งหมดในวันนี้นะคะในรายการพื้นตืนภัยค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ในทุกๆเช้าทุกวันพฤหัสบสดีทาง fm 89.5 วิทยุราชมงคลธัญบุรีนะคะแล้วก็สามารถพูดคุยกันได้ทางแฟนเพจเ Facebook วิทยุราชมงคลธั ญ, ญบุรีเช่นเดียวกันค่ะวันนี้ทิชันแล้วก็ทีมงานต้องขอลากไปก่อนขอบคุณสําหรับการติดตามรับฟังด้วยสวัสดีค่ะสนับสนุนรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม AMJT moving towards innovative university.